ขยายความผิดของคนอื่นที่มีเพียงเล็กน้อยให้ดูใหญ่โตขึ้นความเมตตากรุณาแม้จะเป็นคุณธรรมชั้นสูงละเอียดอ่อนยังความร่วมเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแต่ถ้าคนเรายังไม่ยอมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ยอมเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ ว, ลวก็ยากที่คนจะปลูกฝังความเมตตากรุณานั้นในจิตใจของตนเองได้จะปลูกฝังได้ก็เฉพาะความเมตตากรุณา